งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่เดืผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงคาว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เรา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 แต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงเรียกว่า ง, งานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่ สเสด็จออกทรงผนวชเบื้องตน้นพระดรัมเนตในเบื้องตน้นแม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นา ศ, าษาษาาศาสดาสอนโลกก็ตา ม, ามแต่ก็ไม่มีน้ำหนั ก, กยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่กัดข้องอยู่ภายในพระทยัยพิกิตรอาชวะทั้งปวง น, นี่เป็นภาระราที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด จากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้ศัสตร์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียน่นะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกน่นะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติปาตรฐานยิ่งกว่าเจตทิโยเจติสัพ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 เาเดจเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสย ญ, ญาติอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวดของพระองค์สุดท่าก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับหัวใจลอยไปเลย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 คิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงพรหนหดวเบื้องตน้นจนกระทั่งถึงวันในตรัสรู้เป็นเวลาหปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่า แลอวการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสล่ะตายสรบสลยัยสามครั้งนั่นอดประกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันทำไมจะไม่ทุกเพียงอดเก้าวันสี่วันก็เป็นกองทุกพอแล้วแต่เพราะอย่า ง, ย, างยิ่งเลยว่าป่าวันตากก็เคยอด เหมือนกันได้เวลานานๆนตั้งสี่จุดกว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่งการปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพรกายอาหารไม่สวยเลยสี่เก้าวันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั่นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลย แต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่อง จ, จิตใจคืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสหรือเป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตะภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภาในจิตใจก็รบ ก, กับกิเลส ทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จําเป็นต้องฝ่าฝืน9เข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้เข้าไปผ่านไปกับกองทุกในยาบททั้งสี่ทึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกทนั้นใครจะไม่มี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 เต็มไปด้ที่เิเลสแต่แต่ อ, อนนั้นได้กลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นํามาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนําสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความชนประชาชนก็ย่อมมีความต้นใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหา หลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจพอได้ยินจิีดศพจิตคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นําก็ยิ่งเกิดความสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายกายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปและพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจานวนมากมายเพียงไร นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลาําดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขที่เลส อ, อาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลําบากแห่งการประกอบความภาคเพียรนั้นพยายามที่จะหลุดพ้นออกจาก อ, าอํานาจแห่งความกดท่วงหรือข้อบางธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระไทยของพระพุทธเจ้า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 ถ้าจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกวามัชชิมาปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นถ้ำกลางสมุนหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแกกิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชชิมาปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเนื้อปจากปัจมัชชิมาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้จําเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจ ะ, จะยากจะง่ายจะลำบากยังไงก็เช่นเดียวกับเราถากถางห้นทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบดุงดังขนาดไหนเมื่อเฉมทิศของเราที่ปากลงไปแล้วโดยถูกต้อง มีกุยหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทําไปตรงนี้เราก็ต้องทําแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะ อ, อันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่นาะขนาดไหนลกลุงลังเพียงไรก็ต้องถากป้องทางสูงต่ำก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ ในการดำเนินปฏิบัาธตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรัสสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถากิเลสเ้านั้นหนาจนมืดดำกรรมตาแต่จะให้มันสำเร็จเสร็จสิน้นให้มันออกหมดด้วยการนึกออกเพียงเท่านั้นได้แล้ว สาสนาก็ไม่จาเป็นจะต้องเอามาสอนโลกกันมากมายพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชชีมาปฏิปทานิจเรศของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทางต้นควรถากควรฟันควรตัดลงไปขนาดไหนรก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่ง มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดรอให้เหมาะสมกับวิเศษประเภทนั้นนั้นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสลาเป็นสนาดตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ้าสู้กันไปนี่คือหลักมัชชิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับ ผู้ปฏิบัติเป็นลายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรฐานนิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือฐานนิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาลายมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลําดับแก้กิเลสไปได้เดิมดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลังถางป่าป่าไม่มากไม้อะไรนี่มันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทําให้ง่ายเหมือนดังป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปม่ได้มันต้องหนักมือ นคนคนเดียวนั่นแหละพิเรศในขณะที่มันหนักมันยากมันยากจริงๆเราต้องได้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกําลังล ง, ลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปีกตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงเวละถึงการทั้งมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย ถ้าติมีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทำประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทาประโยชน์ไม่ใช่การทาความล้มโมชิบหาแก่ตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตาอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไป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 แต่มันเห็นประจักษ์ว่าทุกข์มันเป็นความจริงเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรถ้ามันเห็นตรงที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ก้อเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดลูกเสียงกิ่งลดเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ข้อเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็น ยิดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นค่าสุดแจ่ตนเท่านั้นความเป็นค่าสุดอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความซ้ำคัำนั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตชิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ทันเดียบว่าสมุทัยเป็นเครื่องผลิดทุกข์ความเมื่อเราค้นคว้าอยู่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 น, นี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายอันนี้มันก็เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กา ก, ากเมืองคือขันห้าในจะร่างกายอ้าวต่อไปเมื่อไหร่ก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับนี่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 นี่จะกากเมืองความจริงพย า, ยามัจุล่าทัานแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวทไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมือ่อเรียนตามหลักความจริงนี่แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจํำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มียอย่าง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 การสลัดสิ่ที่เป็นค่าสึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเขาปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพัง ต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือตดแอบออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ่งนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าทมเสรี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 หรือหน้าธรรมเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดทวงภาณกจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไระเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่งเเรท่านเดียวอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกออกมีแต่ความสง่างามความสว่างสวยัย ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงนี่ทิกไปแล้วอ่ะใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่เราชื่อเพียงว่าติดปากพอพูดได้พอใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านี้พอธรรมพระสดออกจากใจที่ประเส ร, ริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งตาำแซมทั้งหลาย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 แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตท่าเสียเวลาเวลาอะไรนี่นี่คือคือความหมดตังวนถึงที่อันกเสียมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปโน้นไปนน้นไปข้ามโลกข้ามสาังสารก้าวไปโน้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิดพระจนันทร์มุ่ความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเรื่องแล้วมันก็เป็นความกรเสียม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 ความรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้ทว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไมมีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปลกเรื่องสิ่งที่อาภัพนั่นออกจากจิตจิตจิงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึงถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิตถ้ว่าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้น วันนี้การแสดทงทํรมพอเห็นสมบูรณ์วันนี้รู้สึกเหน่อย